ท่านพระอาจารย์มั่นพอฟังคำท่านอาจารย์มหาทองสุขพูดหยอกเล่นท่านอาจารย์ขาวว่าฉลาดทั่วกับช้างแล้วเลยเพาะใหญ่ไปพักหนึ่งจึงพูดต่อไปว่าทำไมจะไม่กำหนดดูมันเล่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนกและลิงเรายังกำหนดดูมันในบางเวลานี่มันเรื่องถึงตายจะไม่กำหนดได้หรือเวลาท่านอาจารย์กาหนดดูช้างตัวนั้น มันคิดอย่างไรบ้างผู้ถามท่านตอบทีแรกได้ยินเสียงพวกเรามันตกใจจึงรีบหันหน้ามาอย่างรวดเร็วเป็นท่าและความคิดจะต่อสู้พอมองเห็นพวกเราซึ่งมีสีผ้ากาสาวพั์ครองอยู่มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่เย็นและไว้ใจได้เพราะมันเคยเห็นมาจนชินตาชินใจแล้วเจ้าของมันก็เคยเสียมสอนมาจนพอแล้วไม่ให้ทาอันตรายแกเพศนี้ ฉะนั้นพอพวกเราพูดกับมันซึ่งเป็นคำที่มันชอบมากอยู่แล้วว่าพี่พี่ดังที่ท่านขาพูดกับมันก็ยิ่งทำให้มันชอบใจใหญ่และหลีกทางให้ทันทีผู้ถามมันรู้ภาษาที่เราพูดกับมันได้ทุกคาหรือเปล่าทำไมจะไม่รู้ไม่ฉะนั้นจะเอามันมาลากไม้เข็นทรงในป่าในเขาได้หรือเดี๋ยวมันฆ่าตายทิ้งเปล่ า, ลาสัตว์พันธุ์นี้เขาต้องฝึกสอนจน มันรู้ภาษาคนได้ดีถึงจะนำมาทำงานชนิดต่างๆได้ช้างตัวนี้อายุมันเป็นร้อยปีขึ้นไปดูงามันสีกยาวเกือบวาแล้วมันอยู่กับคนมากี่ปีแม่เจ้าของของมันก็หน่ากลัวเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปียังมาเป็นกวนมันได้มันจะไม่แสนรู้ภาษามนุษย์อย่างไรเล่าต้องรู้อย่างไม่มีปัญหาขณะที่มันหันหน้าและสอดงาเข้ากอไผ่มันคิดอย่างไรบ้างผู้ถาม ท่านตอบก็มันรู้เรื่องแล้วนั่นเองมันจึงให้ทางมันคิดจะทำอะไรพูกผู้ถามขณะที่พวกเราเดินผ่านมันมานั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดดูใจมันมาตลอดทางผ่านหรือเปล่าว่ามันอ่านคิดอย่างไรบ้างขณะที่พระกำลังเดินผ่านมาท่านตอบกำหนดดูก็เห็นแต่มันให้ทางอยู่แล้วโดยไม่คิดอะไรอื่นกระผมกลัวว่าเวลาพวกเรากาลังเดินผ่านมา มันอาจคิดสนุกขึ้นมาอยากทำลายพวกเราเล่นสนุกๆไปตามราษาสัตว์จึงเรียนถามอย่างนั้นท่านว่าหาคิดเรื่องพิสดารที่โลเขาไม่ได้คิดกันมาถามถ้าชอบคิดซอกแสกดังที่คิดถามเรื่องช้างก็คงมีหวังพ้นทุกได้ในวันหนึ่งแน่นอนแต่นี่คงไม่สนใจคิดนิสัยมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมทาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ชอบคิดแต่ที่เสียเวลาและเป็นโทษแล้วชอบคิดแบบถึงไหนถึงกัน นี่ก็จะพยานยาคิดและถามเรื่องช้างไปตลอดคืนจนไม่ต้องสนใจกับธรรมะธโรรมอะไรเลยหรือพอถูกขูเท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันทีเพราะกลัวท่านจะเข็นใหญ่อยองเล็บนี่ท่นอาจารย์มหาธงสุขเล่าให้ฟังเรื่องการพูดคุยอะไรกับท่านแบบไร้สติว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรบ้าง น, นี่เคยโดนท่านดุมามากรายบางรายถึงกับเสียสติในวาระต่อไปก็มี มีพระรูปหนึ่งซึ่งมีนิสัยไม่ค่อยสุภาพนักไปพำนักอยู่กับท่านโช่วคราวเวลาท่านพูดอะไรขึ้นมาเธอชอบพูดไปตามท่านเสมอตอนไปอยู่ใหม่ๆท่านเคยเตือนบ่อยให้สนใจในหน้าที่ของตัวโดยมีสติระวังรักษาใจที่จะคิดจะพูดในเรื่องต่างๆไม่สนใจกับเรื่องของผู้อื่นนักปฏิบัติต้องรู้จักวิธีปฏิบัติตัวโดยถูกทาง ผู้มีสติอยู่กับตัวย่อมเห็นความบกพร่องของใจที่แสดงออกแต่เธอนั้นคงไม่ได้สนใจคิดเรื่องท่านให้อุบายสั่งสอนเท่าที่ควรจึงชอบเป็นไปตามนิสัยเสมอวันหนึ่งเข้าไปบินธบาตให้หมู่บ้านท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยที่ใครๆสังเกตได้ยากเวลาเดินไปไหนมาไหนท่านมองเห็นอะไรเช่นสัตว์ต่างๆหรือผู้คนตลอดเด็กๆท่านมักจะเอาเรื่องที่ได้เห็นนั้นๆ มาพิจารณาและพูดของท่านไปคนเดียวดังที่เคยเขียนไว้บ้างแล้ววันนั้นขณะที่กำลังบินถบาบ ท, ท่านได้เห็นลูกวัวมีรูปร่างน่ารักที่กำลังวิ่งเพลินอยู่กับแม่ของมันขณะพระเดินไปมันยังมองไม่เห็นท่านพอพระเดินไปจนถึงตัวมันจึงหันหน้ามามองอย่างตกใจและกระโดดวิ่งเอ้าไปหาแม่แล้วเอาหลังหนุนคอแม่ไว้หันหน้าออกมาสู่พระ ในตาบอกว่ากลัวมากส่วนแม่พอเห็นลูกวิ่งไปหาก็รีบหันหน้ามองมาทางพระพอรู้แล้วก็ทำเฉยตามนิสัยของสัตว์ที่เคยกับพระมาจำเจแล้วแต่ลูกของมันยืนตาจับจ้องอยู่ใต้ขางแม่อย่างไม่ไว้ใจเมื่อท่านอาจารย์เห็นอาการของทั้งแม่ทั้งลูกที่แสดงอาการต่างกันเช่นนั้นจึงพูดขึ้นลอยๆว่าว่าแม่ไม่เห็นแสดงอาการกลัว แต่ลูกทำไมกลัวจนจะแบกแม่ทั้งตัววิ่งหนีไปได้วงเล็บเปิดท่านเห็นมันอยู่ใต้คอแม่อันเป็นลักษณะแบกแม่ถึงได้พูดอย่างนั้นวงเล็บปิดพอเหลือเพนพระเท่านั้นก็ทั้งเพนทั้งเพนทั้งร้องหาแม่ให้ช่วยคนเราก็เหมือนกันต้องวิ่งหาที่พึ่งถ้าอยู่ใกล้แม่ก็วิ่งพึ่งแม่อยู่ใกล้พ่อก็วิ่งพึ่งพ่ออยู่กับใครก็มักจะพึ่งคนนั้นจะคิดพึ่งตัวเองไม่ค่อยมี ตอนอยังเล็กก็คิดหวังพึ่งผู้อื่นแบบหนึง่งโตขึ้นมาคิดหวังพึ่งผู้อื่นไปอีกแบบหนึง่งแก่ตัวลงไปคิดหวังพึ่งผู้อื่นอีกแบบหนึง่งจะย้อนจิตเข้ามาใช้อุบายหาทางพึ่งตัวเองไม่ค่อยจะมีกันฉะนั้นคนเราจึงมักทำตัวให้อ่อนแออยู่ในไวไัยใดก็หวังพึ่งแต่ผู้อื่นอยู่ที่ใดไปที่ใดก็หวังพึ่งแต่ผู้อื่นเลยไม่เป็นตัวของตัวเองได้ตลอดการพระเราก็เหมือนกัน บวชมาในศาสนาจะศึกษาก็กิจครนันจะปฏิบัติข้อกลัวเป็นทุกลาบากเพราะความขี้เกียจไม่ยอมให้ทำคิดอะไรที่จะเป็นประโยชน์บ้างพอคิดจะลงมือทำความขี้เกียจก็มาคอยกันท่าไวเสียเลยไม่มีอะไรสาเร็จได้เมื่อไม่มีทางช่วยตัวเองได้จาต้องหวังพึ่งผู้อื่นไม่เช่นนั้นก็ครองตัวไปไม่ได้คาว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ เลยไม่มีประโยชน์สำหรับคนไม่มีจมูกหายใจเราผู้บทเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติจึงไม่ควรทำตนเป็นคนไม่มีจมกูกคอยหายใจจากผู้อื่นอยู่เรื่อยไปครูอาจารย์สั่งสอนอะไรควรนำไปคิดและพยายามทำตามไม่ให้หลุดมือตกสูญหายไปเปล่าๆพยายามคิดและทำตามท่านจนเกิดประโยชน์ขึ้นมาแก่ตนจนได้จะต้องไม่หวังพึ่งท่านตลอดไป จมูกทางหายใจคือความรู้ความฉลาดทางระบายทุกน้อยใหญ่ออกจากใจก็พอมีทางอาศัยตนได้ชื่อว่าเป็นพระขึ้นมาโดยลำดับจนกลายเป็นพระสมบูรณ์แบบและพึ่งตนเองได้อย่างเต็มที่ท่านพูดเป็นเชิงสอนพระหรือสอนใครก็สุดแต่ผู้จะพิจารณานำมาสอนตนคำพูดท่านยังไม่จบเรื่องซึ่งพอจะแทรกขึ้นในระหว่างท่านหยุดชั่วคราว แต่พระองค์ไม่ค่อยพิจารณาน่าก็พูดพร่ำไปตามท่านโดยไม่ได้สํานึกตัวว่าควรหรือไม่ควรเพียงไรความบ้าของเธออาจจะเข้าไปกระทบธรรมภายในท่านอย่างแรงจึงทําให้ท่านหันหน้ากลับมาชําระเสียบ้างพอให้พระองค์ที่มีสังวรธรรมพลอยตกตะลึงกลัวไปตามๆกันใจกว่าว่าท่านนี้จะบ้าเสียแล้วกันมังนี่พอตามองเห็นค้อนเห็นไม้ที่ใครโ ย, ยนมาแต่ทิดใดแดนใดก็คอยแต่จะโดดกัดรัําไป เหมือนสุนัขบ้าไม่มองดูใจที่กำลังจะบ้าอยู่ขณะนี้บ้างเลยผมว่าท่านจะบ้าแล้วนะถ้ายังขืนปล่อยให้น้ำลายไหลออกแบบไม่มีสติดังที่เป็นอยู่ขณะ น, นี้ว่าเท่านั้นก็หันกลับและเดินเข้าที่พักไม่พูดอะไรต่อไปอีกมองดูพระองค์นั้นหน้าตาพิกลอย่างพูดไม่ออกตอนมาถึงที่พักแล้วขณะฉันก็เห็นเธอฉันนิดเดียวพอเห็นอาการอย่างนั้นต่างองค์ก็ต่างนิ่งเฉย ทำเหมือนไม่รู้และไม่เกี่ยวข้องกับเธอเกรงว่าจะอายเวลาอื่นก็ทําเหมือนไม่มีอะไรต่างองค์ต่างอยู่และบำเพ็ญภาวนาไปตามที่เคยปฏิบัติมาพอตกกลางคืนเงี ย, งยบๆได้ยินเสียงร้องโวยวายขึ้นแบบคนไม่มีสติพูดมาได้สับได้แสงพอทราบเหียรต่างองค์ต่างก็รีบไปดูที่เสียงปรากฏขึ้นก็ได้เห็นพระองค์นั้นนอนไร้มนบน เ, นเพอทึงเนื้อทึงตัวอยู่บริเวณที่พักนั้นแบบคนไม่มีสติเอาเลย แต่พอจับใจความได้เป็นบางตอนว่าเสียใจยที่ได้ลงเกินท่านอาจารย์โดยไม่รู้กาลเทศะใครก็ตกตะลึงพึงเพลิดไปตามๆกันและต้องรีบไปตามชาวบ้านมาช่วยพยาบาลรักษาคือหายาแก้ลมเป็นต้นมาให้เธอฉันคนนั้นบีบคนนี้นวดตามบริเวณร่างกายอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็สงบและนอนหลับได้จนสว่างพอวันรุ่งขึ้นก็มีคนมารับเธอไปหาหมอฉีดยูกยาให้เธอ อาการก็พอลดลงบ้างแต่ยังมีการกําเริบเป็นคราวๆพอข้อยังชั่วบ้างก็ส่งเธอกลับบ้านหลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าโรคหายหรือเป็นตายอย่างไรผู้เขียนก็ทราบจากพระที่อยู่ด้วยกันกับเธอในเวลานั้นเล่าให้ฟังทั้งนี้พูดเรื่องโดนดุถ้าโดนพอเบาๆข้อพอให้ผู้ถูก ด, ดุได้สติและระวังตัวต่อไปถ้า หาเรื่องให้ถูกโดนดุยางหนักและผู้ถูกดุไม่มีสติปัญญาพอจะถือเอาประโยชน์ได้มักมีทางเสียได้ดังที่ปรากฏมาฉะนั้นผู้อยู่กับท่านจึงอยู่ด้วยความระวังสารวมอย่างยิ่งจะตีสนิทคุ้นเคยในฐานะว่าเคยอยู่กับท่านมานานย่อมไม่ได้เพราะนิสัยท่านเป็นนิสัยที่ไม่คุ้นกับใครเอา ง, ง่ายๆจะไหนจะไรมาผู้อยู่กับท่านจึงนอนใจไม่ได้แม้ระวังตัวอยู่เหมือนแม่เนื้อระวังในพรานก็ยังถูกดนยิงจนได้ เท่าที่ทราบจากครูอาจารย์ที่เคยอยู่กับท่านมาก่อนว่าถ้ามีเฉพาะท่านที่มีภูมิจิตใจสูงอยู่กับท่านการวางตัวท่านก็ปล่อยตามนิสัยที่รู้จักท่านดีแล้วคือแสดงกิริยา ม, มันญาติธรรมดาสบายๆเหมือนผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันไม่ค่อยเข้มงวดกดขันนักแต่การเปลี่ยนแปลงมันญาติท่านรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจนตามแทบไม่ทันอยู่สถานที่แห่งหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสถานที่แห่งหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่เหตุการณ์ที่คนเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่บุคคลนั้นและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งไม่ซ้ำรอยกันเลยนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสําหรับผู้ไม่สามารถทําอย่างท่านได้เวลาว่างโอกาสดีๆท่านเล่านิทานให้ฟังซึ่งโดยมากมักขันขันและน่าหัวเราะทั้งนั้นจึงขอยกเรื่องท่านมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังเล็กน้อยพอทราบว่าคนคนเดียวมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์ คือสมัยท่านเป็นฆรวาสกำลังแตกหนุ่มท่านเคยเป็นหมอลำหมอเพลงคราวหนึ่งท่านขึ้นไปขับลำทำเพลงประชันกันกันกบหญิงสาวซึ่งเป็นนักประชันที่มีชื่อคนหนึ่งในงานใหญ่มีคนไปในงานนั้นเป็นพันๆท่านนึกสนุกขึ้นมาก็ขึ้นไปบนเวทีขอประชันเพลงกับหญิงคนนั้นหรือท่านอาจมีรักเขาบ้างก็ทราบไม่ได้จึงเกิดความฮึกหานขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึง หญงนั้นยินดีเป็นคู่แข่งกับท่านพอเริ่มกรอนประชันยังไม่ถึงไหนท่านก็เป็นฝ่ายแพ้กรอนเขาเข้าไปสองสามกรอนแล้วพอดีมีเทวบุตรมาโปรดไว้ทันคือในงานนั้นท่านจะคุณอุบาลีคุณอุปมาอาจารย์ซึ่งเวลานั้นท่านเป็นคารวะและอยู่ในวัยหนุ่มเช่นเดียวกันแต่อายุแกกว่าท่านอาจารย์มั่นบ้างได้ไปในงานนั้นด้วยและเข้าฟังเพลงระหว่างท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นชายหนุ่ม กับหญิงสาวคนนั้นขับเคี่ยวกันในเชิงกรอนต่างๆท่านเจ้าคุณอุบาลีเห็นท่ามลิการเพราะฝ่ายเราคือท่านอาจารย์มั่นแพ้เขาไปหลายกรอนแล้วถ้าตกดึกไปกว่านี้คงจะลงเวทีไม่ได้แน่อาจจะถูกหญิงสาวคนนั้นหามลงแบบไม่มีหน้าติดตัวลงมาเลยเพราะหญิงสาวเป็นนักต่อสู้มาหลายเวทีแล้วส่วนคนของเราเพิ่งจะเริ่มขึ้นเวทีและก็ใจปั้มฮึกหานสําคัญ โดดขึ้นสู้กับเสือโครงใหญ่ลายพาดกรอนแม้จะเป็นเสือตัวเมียมันก็มีเขี้ยวเต็มปากอย่างพอตัวแต่เสือเราแม้จะเป็นเสือตัวผู้แต่ฟันน้ำนมมันก็เพิ่งจะออกไม่กี่ซี่คือให้สู้ต่อไปเสือตัวเมียต้องถลกหนังมันเข้าตลาดนแน่แน่ไอ้มันนี่มันไม่รู้จักเสือมันนึกว่าแต่สาวๆเท่านั้นแต่มันไม่รู้จักตายเราต้องเข้าช่วยเอาหนังมันไว้ก่อนครั้งนี้ ไม่ฉะนั้นหนังมันจะเข้าตลาดแน่นอนพอคิดแล้วก็โดดขึ้นบนเวทีทำท่าว่าไอ้มันไอ้หากูเที่ยวตามหามึงแทบตายแม่มึงตกเรือนสูงสูงลงมากองอยู่กับพื้นจะตายหรือยังก็ไม่แน่ใจเลยพอกูโทรเขาไปจะช่วยเขาก็ใช้ให้กูมาตามเที่ยวหามืองตั้งแต่วันวนจนป่านนี้กูตามหามึงแทบตายข้าวเขายังไม่ตกถึงท้องเลยกูจะไปลมตายอยู่เดี๋ยวนี้ ทางไอ้มันก็ตกตะลึงหญิงสาวก็ตกตะลึงในอุบายไปตามๆกันฝ่ายไอ้มันอดไม่ได้ก็รีบถามขึ้นมาทันทีว่าแม่กูเป็นยังไงวะไอจันมงลเล็กเปิดชื่อท่านเจ้าคุณอุบารีว่าในจันทร์สมัยเป็นค า, ารวาตท่านพูดการตอนเป็นค า, ารวาตมุลเลปิดฝ่ายไอจันทําเป็นอิดโรยจะเป็นลมตาอยู่บนเวทีว่ากู ค, คิดว่าแม่กูตายแล้วส่วนกูกําลังจะตายด้วยทั้งหิวข้าทั้งเป็นลม พอจบคำไอ้อจารย์ก็ฉุดแขนไอ้มันทำท่าล่า ก, กันลงมาจากเวทีท่ามกลางคนเป็นพันๆตกตะลึงพรึงเพลิดไปานตามกันแล้วพากันออกวิ่งผ่านฝูงคนไปอย่างรีบด่วนพอพ้นหมู่บ้านนั้นไปแล้วไอ้มันถามซ้มอีกอย่างกระหายอยากทราบเป็นกำลังว่าแม่กูไปทำอะไรถึงได้ตกเรือนขนาดกองกระพื้นเล่าฝ่ายอาจารย์ตอบว่ากูเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัก พอมองเห็นและจะวิ่งเข้าไปช่วยเขาเช่เขาใช้ให้วิ่งตามหามืองกูวิ่งมานี่จะไปรู้เรื่องละเอียดละออยอย่างไรล่ทะเท่าที่มึงดูบ้างแล้วแม่กูจะพอตายไหมไอ้มันถามอย่างกระวนกระวายไอจันตอบว่าตายหรือยังอยู่เราจะไปดูเองอยู่ขณะนี้ยังไงล่ะพอเลยหมู่บ้านไปไกลกะประมาณว่าไอ้มันไม่กล้ากลับมาคนเดียวได้อีกแล้ว วงเล็บเปิดสมัยก่อนหมู่บ้านอยู่ห่างกันมากสัตว์เสือผีก็ชุมใครๆจึงไม่กล้ามาคนเดียวในเวลาค่าคืนวงเล็บปิดจึงเปลี่ยนกิริยาอาการทุกอย่างเส้นใหม่และบอกกับไอ้มันโดยตรงว่าแม่มึงไม่ได้เป็นอะไรหรอกที่กูทำท่าอย่างนั้นกูทนดูมึงติดกรอนอียเมียมึงคนนั้นไม่ไหวกลัวมันจะถลกหนังมึงไปขายตลาดซึ่งเป็นการขายหน้ากูและขายหน้าบ้านเราว่าไอ้มันสู้ผู้หญิงไม่ได้ ให้เขาเปิดผ้าลบลายเล่นเหมือนเสือตายแล้วกูจึงได้คิดอุบายหลอกมึงและหลอกอียยเมีย ม, มึงให้มันตายใจและให้ชาวบ้านเชื่อถือได้ว่ามึงยังไม่หมดประตูสู้แต่ต้องหนีไปเพราะเหตุสุดวิสัยแล้วฉุดมึงหนีเพื่อให้ใครเขาจะพิรุธได้แม้อียยเมียมผู้แข่งมึงก็เห็นอดตกตะลึงไปตามอุบายอันแยบภายของกูไม่ได้มันต้องสนใจฟัง และมองตามพวกเราด้วยความตกใจแสนสงสารแม่มึงและมึงไปตามเราเห็นไหมอุบายกูช่วยมึงออกจากนารกผู้หญิงคราวนี้มึงคิดว่าแยบคายดีพอใช่ไหมพออจาจั์พูดจบลงไอ้มันอุทานว่าโอ้โหน่าเสียดายไอ้หานี่ทำกูถึงขนาดนี้เทียวนะกูกำลังคันฟันห้าหันกับมันอย่างสนุกสนานมืงมึงมาุดกูออกจากถ้วยลาบแหมมึงทากูอย่างถนัดกูไม่ได้นึกเลยอจาจัน กูอยากคืนไปซ้ามันอีกเอาหนังเข้าตลาดในคืนวันนี้จนได้ไอจาย์ตอบโธมึงจะตายกูช่วยชุบชีวิตไว้ได้แล้วมึงยังกลับทําท่าอวดเก่งอยู่อีกเดี๋ยวกูจะผลักหลังกลับคืนไว้ให้อีเยียมีของมึงเอาเนื้อขึ้นเขียงเสียในคืนนี้ไม่ดีเลยไอ้มันออกท่าว่าที่กูทําท่าติดกรอนมันบ้างพอให้มันได้ใจไปหน่อยนั้นเพราะกูก็เห็นมันเป็นผู้หญิง พอตกดึกกูก็มัดมันเข้ากระสอบเอาไปขายกินอย่างวหวานๆยังไงละ่ะมึงยังไม่รู้อุบายกูเป็นอุบายเสือหลอกลิงเลยทํามึงเก่งจริงทั้งที่คุยโม้เพียงกูคิดอุบายนิดหน่อยฉุดมึงขึ้นจากนารกผู้หญิงมึงยังตกตะลึงทั้งจะร้องโ h มร้องไห้ต่อหน้าเมียมึงอย่างไม่คิดอายว่าโตเป็นผู้ชายเลยแล้วใครจะชมมึงว่าฉลาดพอจะเอาพอจะเอาไอ้เมีย ม, มึงเข้ากระสอบละ่ะกูคิดเห็นแต่มันจะมัดมึง โยนลงเวทีตัวหน้าคนจำนวนพันๆเท่านั้นมึงอย่าคุยโมไปมากรีบสาธุบายเมตากูที่มีต่อมึงดีกว่าไอ้แพ้ผู้หญิงสุดท้ายคืนนั้นทั้งอาจรรันทั้งไอมันเลยไม่ได้ดูงานตามความคาดหมายไว้เพราะเรื่องนี้เป็นสาเหตุให้ต้องพลากงานฟังนักปราดทั้งสองโต้ออ ก, กันแม้สมัยท่านยังเป็นครวาสก็ยังรู้สึกหน้าฟังมากถึงจะเป็นเรื่องโล ก, โลกแต่ก็เป็นเชิงของคนฉลาดพูดกัน จึงเป็นที่ทราบซึ่งจับใจในอุบายที่แสดงออกทุกๆประโยคฟังแล้วทำให้เพลินใจประหนึ่งท่านสนทนากันอยู่ต่อหน้าเราฉะนั้นเรื่องของท่านทั้งสองโต้กันยังมีอีกแยะแต่เห็นว่าเท่าที่กล่าวมาพอเป็นคติแก่พวกเราพอสมควรอุบายของท่านทั้งสองแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีเขาแห่งความฉลาดมาแต่เป็นครวัตฉะนั้นเวลามาบวชเป็นพระท่านจึงเป็นจอมปราดทั้งสอ ง, ององค์ในสมัยปัจจุบัน ปรากฏชื่อลือนามกระเดงเรื่องลือทั่วประเทศไทยว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณุปม า, าจารย์และท่านพระอาจารย์มั่นภูริะทะัตเถระเป็นจอมปราสมัยปัจจุบันที่เขียนว่าไออาจารย์และไอมั่นนั้นเขียนตามที่ทราบจากท่านเล่าให้พระฟังเวลาท่านเปิดโอกาสบาสบายๆกับบรรดาเศิษย์ที่เคร่งเครียดต่อการระวังในท่านมาเป็นประจำหากเป็นการไม่บังคนประการใดก็ขอประธานโทษ ท่านเจ้าพระกุณทั้งสองและท่านผู้อ่านทั่วๆไปด้วยถ้าจะเลี่ยงเขียนตามสัตย์นิยมก็ไม่ถนัดใจที่ท่านเรียกกันเช่นนั้นเข้าใจว่าท่านนิยมนับถือกันด้วยคำพูดทำนองนั้นซึ่งเราเองก็เคยใช้ต่อกันระหว่างบุคคลที่สนิทสนมกันตามฐานะและวัยเสมอมาจึงได้เขียนตามเข้ามาดั้งเดิมจะหยาบคลายหรือละเอียดประการใดก็ประสงค์ให้เป็นไปตามเรื่องเดิม ซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ที่ท่านใช้การในเพศและไหวนั้นรู้สึกสะดวกใจและอาจมองเห็นภาพท่านทั้งคราวเป็นคราวาตที่กำลังขนองรื่นเริงและผ้าที่เป็นนักบวชซึ่งสละความเป็นโลกออกอย่างสิ้นเชิงมีแต่ความอัศจรรย์ล้วนๆอยู่ในองค์แห่งพระเวลาท่านบวชแล้วขณะท่านเล่านิทานให้ฟังน่าฟังมากโดยมากก็เป็นเรื่องสมัยปัจจุบันมากกว่าจะเป็นนิทาน ท่านชอบชมเชยความฉลาดของเจ้าคุณอุบาลีให้ฟังเสมอครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าท่านสนทนากับท่านเจ้าคุณอุบาลีถึงพระเวสสันดรพอได้โอกาสท่านเรียนถามถึงแม่ของพระนางมาสีคือใครไม่เห็นกล่าวไว้ในคำพีหรือค้นหาไม่พบต่างหากท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ตอบขึ้นทันทีว่าท่านยังไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินแม่นางมสีบ้างหรือเขาเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมือง ท่านมัวไปหานางมัสีอยู่ที่ไหนถึงไม่ได้เห็นกับเขาท่านพระอาจารย์มั่นกราบเรียนว่ายังไม่เคยเห็นเลยไม่ทราบว่าอยู่ในคัมภีร์ไหนท่านตอบทันทีว่าจะอยู่ในคัมภีร์อะไรที่ไหนกันก็สาวอกพูผดเสียงดังๆบานแกหลังใหญ่ๆอยู่สี่แยกทางออกไปวัดยังไงละ่ะท่านพระอาจารย์มั่นเกิดงงต้องเรียนถามท่านอีกว่าสี่แยกที่ไหนและทางออกไปวัดไหนท่านไม่เห็นกล่าวเรื่องวัดเรื่องวาไว้เลย ท่านตอบว่าก็แม่นางมัซีบ้านแกอยู่เกือบติดกันกับบ้านท่านอย่างไรละ่ะทําไมยังไม่รู้กระทั่งนางมะสีและสาวอบแม่นางมัสีเขาอีกท่านนี้แย่จริงๆเพียงนางมัสีและสาวอบในหมู่บ้านเดียวกันยังไม่รู้อีกท่านจะไปเที่ยวหาแม่นางมัซีในคัมภีร์ไหนกันอีกผมก็แย่แทนท่านถ้าเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ก็ระลึกได้ทันทีเมื่อท่านพูดว่านางมัสีและสาวอบที่อยู่ในบ้านเดียวกัน แต่ก่อนมัวไปนึกภาพในเรื่องพระเวสสันดรในคัมภีรโน้นจึงทําให้งงไปนานท่านว่าท่านเจกาคุณอุบาลีท่านชลาโต้ตอบเพื่ออุบายแปลกๆอย่างนี้เสมอมาท่านมักโต้ตอบแ บ, แบบสอกกลับเสมอทำเอาผู้ฟังงงไปตามๆกันและก็ในสติปัญญาจากอุบายท่านตลอดมาท่านเล่าทั้งเราะขันตัวเองขันตัวท่านเองที่ไม่ทันลูกมายท่านเจ้าคุณอุบาลีเท้าสักะเทวราชบนสวรรค์มาเยี่ยมท่านเสมอ ท่านพักจำภาษาอยู่บ้านาน้ำเมาอํเภอแม่ปังเชียงใหม่ท่านว่าท่านตอนรับแขกจำพวกกายทิพย์บนสวรรค์มีท้าสกัดเทวราชเป็นหัวหน้ามากเป็นพิเศษแม้หน้าแล้งท่านหลีกออกไปที่วิเวกองค์เดียวอยู่ในถ้ำดอกคําก็มีท้าสกัดเทวราชพาพวกเทวดามาเยี่ยมท่านซึ่งมาแต่ละครั้งเป็นหมื่นเป็นแสนและมาบ่อยที่สุดถ้าพวกที่ไม่เคยมาท้าสกัดเทวราชต้องเตือนให้เขาเข้าใจวิธีฟังธรรมก่อน ที่ท่านจะแสดงให้ฟังโดยมากท่านแสดงเมตตาอัปปมัญญาพรหมิหารให้เขาฟังเพราะพวกเทวดาชอบธรรมนี้มากเป็นพิเศษท่านพักอยู่ทั้งสองแห่งนี้เท้าสกะเทวราชมาเยี่ยมฟังธรรมเสมอการต้อนรับพวกเทพทุกชั้นทุกภูมิก็ปรากฏว่ามากเป็นพิเศษกว่าที่อื่นๆเพราะที่นี่อยู่ลึกและสงัดมากบรรยากาศก็อํานวยพวกนี้เคารพท่านและสถานที่ที่ท่านพักอยู่มาก แม้ทางจงกรมที่ญาติโยมเอาทรายมาเกลี่ยวไว้สำหรับให้ท่านเดินจงกรมก็ไม่กล้าผ่านเข้ามาต้องเว้นไปเข้าทางอื่นพวกพญานาคก็เช่นกันเวลาเขาเข้ามาเยี่ยมฟังธรรมท่านก็ไม่อาจเดินข้ามทางจงกรมเข้ามาถ้าหัวหน้าจำเป็นต้องเดินผ่านเข้ามาเป็นบางครั้งต้องเว้นไปทางหัวจงกรมเดินอ้อมเข้ามาบางครั้งพญานาคใช้ให้บริวารมากราบนิมนต์ท่านในกิจบางอย่าง เช่นเดียวกับมนุษย์เรามานิมนต์พระพายในงานก็ไม่กล้าเดินข้ามทางจงกรมเข้ามาถ้ามีทรายโรยไว้ก็เอามือกว่าทรายออกเสียก่อนแล้วค่อยคลานเข้ามาพอพ้นจากนั้นแล้วค่อยลุกขึ้นเดินเข้ามาหาท่านกิริยามันยากทุกอาการอยู่ในความสำรวมดีมากท่านว่ามนุษย์เราซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาถ้าทางสนใจในธรรมและมีความเคารพต่อตัวเองสมกับว่ารักตนจริง ตามความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภายในก็ควรมีมัญญา่าเครพศาสนาเช่นเดียวกับพวกเทวดาและพญานาคที่เขาทำกันแม่ไม่สามารถจะมองเห็นวิธีการที่เขาทำความเคารพต่อาศาสนาแต่าศาสนาก็สอนวิธีเคารพไว้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากพวกมนุษย์เราไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรและตั้งใจสั่งสมความประมาทสจทนจนหาที่เก็บไม่ได้เท่านั้น จึงไม่ค่อยประสบความสุขความสมหวังดังที่ปรารถนากันความจริงศาสนาเป็นแรงผลมรรยาสินธรรมอันดีงามเพื่อผลคือความสุขความสมหวังจะมีทางเกิดขึ้นแก่ผู้สนใจตามหลักศาสนาที่สอนไว้ท่านกล่าวเน้นหนักลงไปว่าความสําคัญของทุกสิ่งในโลกก็คือใจถ้าใจอยากทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้อ ง, อ ง, อ ง, องก็ลายเป็นของอยากไปด้วยเช่นเดียวกับร่างกายสกปรก แม้สิ่งที่มาคละคล้วกับกายจะเป็นของสะอาดสวยงามเพียงไรก็กลายเป็นของโสโครกไปตามร่างกายที่โสโครกอยู่แล้วฉะนั้นธรรมจึงอดจะอยากไปตามใจที่โสโครกไม่ได้ถึงจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดแต่พอคนมีใจสม ม, มุตเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมก็กลายเป็นธรรมอับเฉาที่สะอาดตกลงไปคลุกฝุ่นหรือคนชั่วแบบกคมภีรธรรมอวดโลกให้เขารับนับถือ ซึ่งทั้งสองนี้ไม่มีผลดีต่างกันเลยคนที่มีใจหยาบกระด้างก่อศาสนาก็เป็นคนในลักษณะนี้เหมือนกันจึงไม่มีทางได้รับประโยชน์จากาศาสนธรรมแม้เป็นของวิเศษเพียงไรเท่าที่ควรเอาแต่ชื่อออกประกาศกันว่าตนนับถือาศาสนาแต่ไม่ทราบว่ า, าศาสนาคืออะไรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นับถืออย่างไรบ้างถ้าประสงค์อยากทราบข้อที่จริงจากาศาสนาอย่างแท้จริงแล้วตนกับาศาสนาก็เป็นอันเดียวกัน ความสุขทุกที่เกิดกับตนย่อมกระเทือนถึงศาสนาด้วยความประพฤติดีชั่วก็กระเทือนถึงศาสนาเช่นกันคำว่าศาสนาคือแนวทางที่ถูกต้องแห่งการดำเนินชีวิตนั่นแหละจะเป็นอื่นมาจากไหนถ้าคิดว่าศาสนาอยู่ที่อื่นนอกจากตัวก็ชื่อว่าเข้าใจศาสนาผิดจากความจริงการปฏิบัติต่อศาสนาก็ปฏิบัติไม่ถูกคำว่าไม่ถูกนี้ไม่ว่าอะไรไม่ถูก ของนั้นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แม้ได้ก็ไม่ถูกตามผดเกณฑ์คือได้แบบหวางโลกหวางธรรมหวางตนและหวางผู้อื่นไปทั้งนั้นคิดอย่างง่ายๆได้เห็นประจักษ์ตาคือการโบกรบคูณหารไม่ถูกตัดเสื้อกางเกงไม่ถูกเย็บเสื้อผ้าไม่ถูกสามีภรรยาปฏิบัติไม่ถูกตามจารีตประเพณีคู่รักปฏิบัติไม่ถูกตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันพ่อแม่กับลูกๆ ปฏิบัติต่อกันไม่ถูกการแสวงหาทรัพย์ไม่ถูกทางการจ่ายทรัพย์ไม่ถูกทางขับรถไม่ถูกกฎจราจรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นเครื่องปกครองโลกให้ร่มเย็นทั่วนากันราษฎรกับเจ้านายปฏิบัติต่อกันไม่ถูกตามระเบียบประเพณีและกฎหมายบ้านเมืองขาดความเคารพนับถือกันและกลายเป็นข้าสึกต่อกันเหล่านี้จะเห็นเป็นความเสียหายมากน้อยกว้างแค่เพียงไร ผลคือความผิดหวังและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ทำผิดจะแสดงขึ้นที่ไหนถ้าไม่แสดงขึ้นตามจุดแห่งเหตุที่ทำผิดก็ไม่มีที่แสดงขึ้นชื่อว่าผิดแล้วผลคือความเสียหายต้องแสดงขึ้นตามเหตุนั้นๆแม้คนที่ทำผิดต่อผู้อื่นโดยที่เขาจะทราบว่าตัวทำผิดต่อเขาหรือไม่ก็ตามผลคือความเสียหายที่จะระบาดออกจากการทาผิดนั้นปิดไม่อยู่แน่นอนต้องแสดงสุดขีดแห่งการทาผิด จะเป็นฝ่ายใดไ ด, ได้รับไม่เป็นปัญหาข้อแก้ตัวว่าทำผิดแล้วผลไม่แสดงตัวให้ปรากฏอย่างไรต้องแสดงมากน้อยจนถึงขั้นแดงร้อทั่วดินแดนฉะนั้นคำว่าไม่ถูกเช่นคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกและคำว่าไม่ถูกหรือคำว่าผิดนี้จึงเป็นจุดที่ควรสนใจอย่างยิ่งไม่ชินชาตามมวไม่เหลี้ยวแลเรื่องจะแก่กล้าพลาเอาตัว ผู้เลื่อนลอยถวาความผิดให้หล่มจมอย่างเห็นประจักษ์ตาในขณะนี้ชาตินี้ไม่ต้องมองไกลอันเป็นการตะครุบเงามากกว่าถูกตัวจริงเพราะาศาสนาไม่ใช่เงาเครื่องหลอกหลอนคนให้งงแต่เป็นาศาสนาที่ให้ความจริงถูกประตูที่ประกาศสอนไว้ไม่ผิดพลาดถ้าผู้นับถือไม่ปฏิบัติให้ผิดพลาดไปเองแล้วกล่าวตัว่ า, าศาสนาไม่เป็นท่าซึ่งเป็นการกว้านความผิดพลาดมาทับถมโจมตีตัวเอง ให้เกิดความทุกข์ร้อนจนหาที่ปลงวางไม่ได้เท่านั้นยังไม่มีปัญหาสําหรับศาสนาซึ่งเป็นของบริสุทธิ์มาดั้งเดิมท่านกล่าวย้ําอีกว่าคนเราถ้ายอมรับความจริงตามหลักศาสนาที่สอนไว้ตัวย่อมได้รับความเป็นธรรมคือตัวเย็นผู้เกี่ยวข้องมากน้อยก็เย็นโลกร่มเย็นไม่ควรมีการทะเลาะบอกแว่งแย่งชิงเพื่อแข่งดิีแข่งดีกันให้เดือดร้อนไปทั้งสองฝ่ายซึ่งสุดท้ายก็เป็นไฟเป็นต่างๆกัน ไม่มีใครได้ครองความสุขดังใจหวังเพราะเอาใจดวงกาลังเป็นไฟทั้งกองเข้าไปเป็นหัวหน้าว่าความในกิจการในโรงในศาลในเรื่องต่างๆไม่มีประมาณด้วยเหตุนี้แหละคนเราจึงหาประมาณความทรงตัวได้ยากอยู่ที่ไหนก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไม่เป็นสุขเพราะใจแบกกองไฟไว้กับตัวตลอดเวลาไม่คิดจะปลงวางลงบ้างพอได้หายใจไกลทุกประสบสุขสิบ้างเพื่อทรงตัวท่านว่าผมเอง นับแต่บวชมาในศาสนาชาตินี้เกือบทั้งชาติสนุกพิจารณาศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ความกว้างลึกของศาสนาธรรมอย่างกว้างลึกกว่ามหาสมุทระเลเป็นไหนๆทียบกันไม่ได้เอาเลยถ้าพูดทางความจริงจริงๆแล้วความละเอยียดสุขุมเหลือประมาณที่จะพิจารณาตามได้ความอัศจรรย์แห่งผลที่แสดงขึ้นกับการปฏิบัติเป็นระยะระยะไปก็สดจะกล่าวถ้าไม่คิดว่าคนจะหาว่าบ้าแล้วผมกราบพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์แห่งธรรมอัศจรรย์แท้ได้ตลอดไปเช่นเดียวกับคนงานอื่นๆซึ่งหนักยิ่งกว่าการกราบไหว้เป็นไหนๆ ไ, ไม่มีการเก็บคร้านไม่นึกระอาไม่นึกว่าซ้ำซากแต่แน่ใจยังถอนไม่ขึ้นแม้ชีวิตดับไปว่าพุทธธรรมสังฆะอยู่กับเราเราอยู่กับท่านตลอดเวลาอากาลิโกไม่มีการแยกย้ายจากกันเหมือนโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาที่คอยทําลายหัวใจสัตว์โลกให้ระทมขมขื่นอยู่เสมอ ไม่พอให้หายใจได้แต่ละเวลาเลยท่านเลาว่าหลายคืนที่ทําความเพียรอยู่ตลอดกลางคืนยามดึกสงัดปรากฏเห็นสามเณรน้อยองค์หนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งพากันเดินผ่านไปผ่านมาอยู่แถวบริเวณนั้นแทบทุกคืนท่านนึกสงสัยว่าคนทั้งสองนี้เดินไปมาเพื่อประสงค์อะไรวันต่อมาจึงถามถึงเหตุที่ต้องพากันมาเดินวกเวียนอยู่แถวนั้นก็ได้คําตอบจากคนทั้งสองว่า เป็นห่วงและอาไลในพระเจดีย์ที่สร้างยังไม่เสร็จแต่ได้ตายไปเสียก่อนพระความห่วงใหญ่นั้นจึงต้องวกเวียนไปมาอยู่ทนองนี้นานแล้วส่วนสมเณีน้อยนั้นเป็นน้องชายของหญิงคนนั้นทั้งสองคนได้ร่วมกําลังกันสร้างพระเจดีย์ความที่ต่างคนต่างห่วงและอาไลพระเจดีย์และเสดายเวลาไม่รอคอยพอให้สร้างพระเจดีย์เสร็จก่อนแล้วค่อยตายไปจะไม่เป็นพระผูกพันดังที่เป็นอยู่เวลานี้ แม้จะเป็นอยู่ในภพที่มีความห่วงใยแต่ก็มิได้มีความทุกข์ทรมานซึ่งควรจะเป็นเป็นแต่จะไปผุดไปเกิดที่ไหนก็ไม่อาจปลงใจลงได้เด็ดขาดเท่านั้นท่านจึงได้เทศคนทั้งสองฝังว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทําความผูกพันเพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทําความผูกพันและมั่นใจให้สิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ทําความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกแต่ผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไป อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสําเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทําได้ไม่สดวิสัยการสร้างพระเจดีไม่สําเร็จแต่มาด่วนตายไปเสียก่อนนั้นถ้าเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เป็นไปตามใจหวังได้แล้วเราก็ไม่ควรตายควรจะสร้างให้สําเร็จไปเสียก่อนแต่ยังฝืนตายไปจนได้ ไม่นำเวลาตายแล้วยังมาเป็นห่วงอยากให้เจดีสำเร็จทั้งที่ไม่สามารถทำได้นี่แสดงว่าคิดผิดไปถึงสองชั้นแล้วยังจะเป็นห่วงเพื่อให้สงความปรารถนาอีกต่อไปยิ่งคิดผิดไปอีกสามชั้นความคิดผิดไม่ได้ผิดเฉพาะความคิดเท่านั้นการไปการมาเกิดในภพการเสวยสุขเสวยทุกในภพนั้นก็พลอยผิดความมุ่งหมายไปด้วยเพราะความคิดผิดเป็นสาเหตุจากใจเพียงดวงเดียว จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะฝืนคิดฝืนเป็นห่วงต่อไปการสร้างพระเจดีย์เราสร้างหวังบุญหวังกุศลต่างหากมิได้สร้างเพื่อหวังเอาก้อนอิฐก้อนหินปูนทรายในองค์พระเจดีย์ไปด้วยสิ่งที่เป็นสมบัติของเราในการสร้างพระเจดีย์ก็คือบุญสร้างได้มากน้อยบุญที่เกิดจากการสร้างนั้นเป็นของเราจึงไม่ควรเป็นห่วงยายในอิฐในปูนและในพระเจดีย์ซึ่งเป็นวัตถุที่หยากยิ่งและเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะให้เป็นไปได้ดังใจหวัง ท่านนักสร้างบุญทั้งหลายท่านเอาเฉพาะบุญติดตัวไปไม่ได้เอาสิ่งก่อสร้างวัตถุทานต่างๆที่สละลงเพื่อทานแล้วติดตัวไปด้วยเช่นการสร้างวัดสร้างกุฏิวิหารศาลาโรงธรรมศวรรณาสร้างถนนถนทางสร้างทางนา้ําสร้างสาธา ร, รณสถานตลอดการให้ทานด้วยวัตถุต่างๆมากมายหลายวิธีสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องสนองกุศลเจตนาของผู้มุงทําบุญให้ทานเท่านั้นมิใช่ตัวบุญตัวกุศลตัวสวรรค์นิพพาน และมิใช่ผู้จะไปสู่มรรคสู่ผลสู่สวรรค์นิพพานสร้างไว้แล้วนานไปก็ชำรุดทรุดโทรมและร่วงโรยไปตามฐานะและการของมันสิ่งที่สำเร็จจากการก่อสร้างและการให้ทานอันเป็นส่วนนามธรรมอยู่ภายในนั้นคือตัวบุญกุศลเจ้าของผู้คิดเป็นกุศลเจตนาขึ้นมาให้สำเร็จเป็นวัตถุไตรธานต่างๆนั้นคือใจใจนี่แหละเป็นผู้ทรงบุญทรงกุศลทรงมรรคทรงผลทรงสวรรค์นิพพาน และาจนี่แหละเป็นผู้ไปสู่สวรรค์นิพพานนอกจากใจไม่มีอะไรจะไปเจดีย์ของคุณทั้งสองที่สร้างยังไม่เสร็จนั้นก็ไม่ได้มีจิตใจพอจะมีเจตนาในบุญกุศลเพื่อไปสวรรค์นิพพานอะไรเลยความเป็นห่วงก็คือใจดวงหึงหวงแม้จะเป็นฝ่ายดีแต่ความคิดที่ติดอยู่จัดว่าเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดต่อตัวเองอยู่นั่นแหละจึงทาเจ้าของให้วกไปเวียนมาชักชากต่อทางไปผุดไปเกิด ถ้าคุณทั้งสองยินดีเฉพาะคุสลผลบุญที่ทำได้จากการสร้างพระเจดีไปเท่านั้นไม่มุ่งจะแบกหามพระเจดีไปสวรนิพพานด้วยคุณทั้งสองก็ไปอย่างสุขโทหายห่วงไปนานแล้วเพราะบุญเป็นเครื่องสนับสนุนคนให้สุขโทเสมอมาดังทำแสดงไว้ว่าอาคาลิโกฉะนั้นบุญจึงไม่เปลี่ยนแปลงตัวกลายเป็นบาปตลอดการความห่วงในสิ่งไม่ควรห่วงและในการไม่ควรห่วงจึงเป็นความผิดของผู้ห่วงใจเอง อันหนึ่งความห่วงยายอยากให้เจดีสําเร็จนั้นก็ไม่ได้สําเร็จไปตามความห่วงความหวังจะไม่ควรตั้งจิตคิดเป็นห่วงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พลังแห่งบุญกุศลของคุณทั้งสองพอดีกับคุณทั้งสองอยู่เฉพาะปัจจุบันอย่าคิดเรื่องอดีตอนาคตให้เป็นการกดทวงกําลังใจที่ควรจะไปทางดีงให้เสียเวลาอยู่นานดังที่เป็นมาและเป็นอยู่ขณะนี้วนควรแก้ไขเจตสิกธรรมคือความคิดปรุงต่างๆนั้นเสียคุณทั้งสองจะหายห่วงและไปอย่างสบายหายกังวลในไม่ช้า ขอได้พาการสนใจในปัจจุบันอันเป็นที่บรรจุกุศลธรรมทั้งมวลเพื่อมรรคผลนิพพานอาดีตอนาคตเป็นค่าเสบีที่ควรแก้ไขอย่าให้เนินนานคุณทั้งสองเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากสร้างบุญญาพิสมภานมาเพื่ อ, อยังตนไปสู่สุคติแต่กลับมาติดกังวลในอิดในปูนเพียงเท่านั้นจนเป็นอุปสรรคต่อทางเดินของตนซึ่งทําให้เสียเวลาไปนานถ้าคุณทั้งสองพยายามตัดความขัดข้องห่วงใ ย, ยที่กําลังเป็นอยู่ออกจากใจ ช่วเวลาไม่นานเลยจะเป็นผู้หมดภาระเครื่องผูกพันคุณมีจิตมุ่งมั่นในพบใดจะสมหวังในพบนั้นเพราะแรงกุศลที่ได้พากันสร้างมาพร้อมอยู่แล้วจากนั้นท่านแสดงสินห้าซึ่งเป็นคุณธรรมที่ไม่ขัดต่อพวกกาเนิดและเพศวัยให้ฟังพร้อมอนิสงเป็นใจความย่อว่าหนึ่งสิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเองจึงไม่ควรเบียดเบียนและทาลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป อันเป็นการทําลายคุณค่าของการละกันเป็นบาปกรรมแก่ผู้ทํา 2. สิ่งของของใครใครก็รักและสงวนแม้คนอื่นจะเห็นว่าไม่ดีมีคุณค่าแต่ผู้เป็นเจ้าของย่อมเห็นคุณค่าในสมบัติของตนไม่ว่าสมบัติหรือสิ่งของใดๆที่มีเจ้าของแม้มีคุณค่าน้อยก็ไม่ควรทาลายคือฉกลักปล้นจีเป็นต้นอันเป็นการทําลายสมบัติและทําลายจิตใจกันอย่างหนักทั้งเป็นบาปมากไม่ควรทําม ลูกหลานสามีภรยาใครๆก็รักสงหวนอย่างยิ่งไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกินจึงควรให้สิทธิเขาโดยสมบูรณ์ไม่รวงล้ำมเขตแดนของกละกันอันเป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนักและเป็นบาปไม่มีประมาณ 4. มุสาการโกหกพกลมเป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงขาดความนับถืออย่างไม่มีชินดีเลยแม้แต่สัตว์เดราฉานเขาก็ไม่พอใจในคาหลอกลวง จึงไม่ควรพูดโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหายห้าสุราตามธรรมชาติเป็นของมึนเมาและให้โทษอยู่ในตัวของมันอย่างเต็มที่อยู่แล้วเมื่อดื่มเข้าไปย่อมสามารถทําคนดีๆให้กลายเป็นคนบ้าได้ในทันทีทันใดและลดคุณค่าลงโดยดําดับผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ทั้งหลายจะไม่ควรดื่มสุราเครื่องทําลายสุขภาพทางกายและทางใจยอย่างยิ่งเพราะเป็นการทําลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกัน อนิสงค์ของศิลปห้าเมื่อรักษาได้ 1. ทําให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 2. องสร้าสมบัติที่อยู่ในความครอบครองมีความปลอดภัยจากโจนผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทําลาย 3. ระวังลูกหลานสามีภรยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขไม่มีผู้มาคอยล่วงล้ำกร่ำกลายต่างครองกันด้วยความเป็นสุข 4. พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือ คำพูดมีสเสน่ห์เป็นที่จับใจแพะระด้วยสัตว์ด้วยศีลเทวดาและมนุษย์เคารพรักผู้มีสัตว์มีศีลไม่เป็นภัยแก่ตนและผู้อื่น 5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงหน้าหลงหลังจับโนนชนนี้เหมือนคนบ้าบอหาสติไม่ได้ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมความสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นใจไม่เป็นที่ระแวงสงสัยผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกข์ย่ำยาก ฉะนั้นทูตเห็นคุณค่าของตัวจึงควรเห็นคุณค่าของผู้อื่นว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำลายกันผู้มีศีลสัตว์เมื่อทำลายขันไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจศีลธรรมคุม้มครองรักษาและสนับสนุนจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์เมื่อจากอัตภาพนี้จะมีสวรรค์เป็นที่ไปโดยไม่ต้องสงสัยทำที่สั่งสอนแล้วควรจดจําให้ดี ปฏิบัติให้มั่นคงจะเป็นผู้ทรงสมบัติทุกอย่างในอัถภาพที่จะมาถึงในเมชานีแน่นอนพอจบธรรมเทศนาสองพี่น้องมีใจร่าเริงในธรรมและขอสมาทานสินห้ากับท่านท่านได้ประกาศสินห้าให้แก่สองพี่น้องตามเจตนาพอเสร็จการแสดงธรรมและประกาศสินห้าแล้วคนทั้งสองได้นมาสการลาและหายตัวไปในที่และขณะนั้นนั่นเองด้วยอํานาจกุศลสินทานที่ได้สร้างมา และกุศลที่ฟังทำรักษาสินห้ากับท่านอาจารย์สองพี่น้องได้เปลี่ยนภพทายภูมิที่เป็นอยู่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวเดืองพิภพในลําดับต่อมาโดยเม่ชักช้าและได้พากันมานมัสการเยี่ยมฟังเทศท่านอาจารย์เสมอมิได้ขาดพร้อมด้วยความขอบพระคุณท่านที่เมตตาอนุเคราะห์ให้อุบายสังสอนต่างๆจนได้พ้นจากความวก่นวิ่นไปมาในสถานที่นั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์สวยที่สมบัติที่ไปรอคอยอยู่เป็นเวลานานแล้วอย่างมีความสุข เวลาที่ลงมาเยี่ยมท่านได้เล่าเรื่องความพงยายว่าเป็นภัยแก่จิตใจอย่างยิ่งทำให้เนินช้าต่อทางดำเนินและพบชาติที่ควรจะได้จะถึงพอได้รับอุบายแล้วก็สามารถตัดความหงยายเหล่านั้นเสียได้จิตพ้นจากความผูกพันไปเกิดในสวรรค์ได้โดยสะดวกลาดับนั้นท่านได้แสดงความหงยายของจิตว่าเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดอุปสรรคได้อย่างมากมายเวลาจะพลากจากขัน นักปราชญ์ท่านจึงสอนให้ระวังจิตไม่ให้เป็นอารมณ์หผงใหญกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นกลัวจิตจะประวัติกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นที่รักบ้างเป็นอารมณ์ขุนโวในใจบ้างเช่นความโกรธแค้นในผู้หนึ่งผู้ใดขณะจิตจะออกจากร่างเป็นขณะที่สําคัญมากอาจไปก่อเอาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้าแล้วกลับมาเป็นไฟเผาตัวจากนั้นก็ไปเกิดในทุกติภพมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งล้วนเป็นกำเนิดที่ไม่พึงปรารถนาและให้ความทุกข์ร้อนตลอดพบนั้นนั้นฉะนั้นการฝึกอบรมจิตเมื่ออยู่ในฐานะที่ควรทําได้จึงควรสนใจอย่างยิ่งฝึกให้รู้เรื่องของจิตเสียแต่ยังเป็นคนที่รู้รู้เห็นเห็นเรื่องของตนอยู่ทุกขณะนี้เป็นความชอบแท้เมื่อทราบว่ายังบกพร่องส่วนใดจะได้รีบแก้ไขดัดแปลงเสียเวลาเข้าตาจนแล้วจะได้มีทางรักษาตัวทันกับเหตุการณ์ ไม่ต้องวิตกวิจารณ์ว่าจะเสียทีให้ความช่วทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทํำลายได้ยิ่งฝึกให้ขาดความสืบต่อกับอารมณ์ดีชั่วทั้งหลายอย่างประจักษ์แล้วยิ่งประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนนักปราชญ์ท่านเห็นความสําคัญของใจว่าประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดในสามภพท่านจึงพยายามฝึกใจให้ไปถูกทางและสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติต่อใจด้วยดีเพราะการขาดทุนสูญทรัพย์ภายนอกภายในขึ้นอยู่กับใจเป็นสําคัญ เวลาเป็นอยู่ก็อยู่ด้วยใจสุขด้วยใจทุกข์ด้วยใจเวลาตายไปก็ไปด้วยใจเกิดเป็นกำเนิดต่างๆดีหรือชั่วก็เกิดด้วยใจสวยกรรมทั้งหนักทั้งเบาทั้งดีทั้งชั่วด้วยใจเป็นเหตุทั้งมวลไม่มีสิ่งใดพาให้เป็นมีใจดวงเดียวเท่านั้นพาให้เป็นไปใจจึงควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีเสมอเพื่อรู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตพอจบการแสดงธรรม เทวดาได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจเป็นอันมากและกล่าวสรรเสริญธรรมที่ท่านแสดงว่าเป็นยอดแห่งธรรมซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่อื่นใดมาก่อนเลยเสร็จแล้วพากันกระทับกระทำประทักษิณสามรอบและถอยห่างออกไปจนพ้นเขตที่ท่านพักอยู่แล้วต่างก็เหาะลอยขึ้นบนอากาศราวกับสำลีอันละเอียดถูกลมพัดปลิวขึ้นสู่อากาศฉะนั้นมีเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องหนึ่งท่านเล่าว่าแปลกใจมาก คืนหนึ่งที่มีเหตุการณ์โดยทางนิมิตภาวนาเกิดขึ้นเวลานั้นท่านพักอยู่ในภูเขาลึกแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านมากที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งหน้าหวาเสียวและหน้ายินดีพอๆกันคืนนั้นดึกมากราวสามนาฬิกาอันเป็นเวลาท่าดขันละเอียดท่านตื่นจากจำวัดนั่งพิจารณาไปเล็กน้อยปรากฏว่าจิตใจมีความประสงค์จะพักสงบมากกว่าจะพิจารณารมทั้งหลายต่อไป ท่านเลยปล่อยให้จิตพักสงบ พ, พอเริ่มปล่อยจิตก็เริ่มอย่างลงสู่ควาสมสงบอย่างละเอียดเต็มพูมสมาธิและพักอยู่นานประมาณสองชั่วโมงหลังจากนั้นก็ค่อยๆถอยออกมาแต่แทนที่จิตจะถอยจิตจะถอนออกมาสู่ปกติจิตเพราะมีกำลังจากการพักผ่อนทางสมาธิพอสมควรแล้วแต่กลับถอยออกมาเพียงขั้นอุปจารสมาธิแล้วออกรูเหตุการณ์ต่อเนื่องไปในเวลานั้นเลยทีเดียว คือขณะนั้นปรากฏว่ามีช้างเชือกหนึ่งใหญ่มากเดินเข้ามาหาท่านแล้วสุดตัวหมอบลงแสดงเป็นอาการจะให้ท่านขึ้นบนหลังท่านก็ปีนขึ้นบนหลังช้ชางเชือกนั้นทันทีพอท่านขึ้นนั่งบนคอช้างเรียบร้อยแล้วขณะนั้นปรากฏว่ามีพระไวนุ่มอีกสององค์ขี่ช้างองค์และเชือกเดินตามมาข้างหลังท่านช้างทั้งสองเชือกนั้นใหญ่พอๆกัน แต่เล็กกว่าช้างตัวที่ท่านกําลังขี่อยู่เล็กน้อยช้างทั้งสามเชือกนั้นมีความองค์อาสง่าผ่าเผยและสวยงามมากพอๆกันคล้ายกับเป็นช้างทรงของกษัตริย์มีความฉลาดรอบรู้ความประสงค์และอุบายต่างๆที่เจ้าของบอกแนะดีเช่นเดียวกับมนุษย์พอช้างสองเชือกของพระหนุ่มเดินมาถึงท่านก็พาออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางภูเขาที่มองเห็นกว้างหน้าอยู่ไม่ห่างจากที่นั่นนักประมาณหนึ่งกิโลเมตร ทางท่านเป็นผู้พาเดินหน้าไปอย่างสางาพาเผยในความรู้สึกส่วนลึกท่านว่าเรากลับจะพาพระหนุ่มสององค์นั้นออกจากโลกสมมุติทั้งสามพบไม่มีวันกลับมาสู่โลกใดๆอีกต่อไปเลยพอไปถึงภูเขาแล้วช้างพาท่านและพระหนุ่นสององค์เดินเข้าไปที่นาธรรแห่งหนึ่งซึ่งไม่สูงนักเพียงเป็นเนินเชื่อมกันขึ้นไปหาถ้ำเท่านั้นเมื่อช้างใหญ่ทั้งสามเชื่อกเข้าไปถึงถ้ำแล้วช้างเชือกที่ท่านอาจารย์ขี่อยู่ หันก้นเข้าไปในหน้าถา้ำหันหน้าออกมาแล้วถอยก้นเข้าไปจดผนังถ้ำส่วนช้างสองเชือกของพระหนุ่มสององค์ต่างเดินเข้าไปยืนเกียงข้างช้างท่านข้างและเชือกอย่างใกล้ชิดหันหน้าเข้าไปในถา้าส่วนช้างท่านอาจารย์ยืนหันหน้าออกมาหน้าถา้ำขณะนั้นปรากฏว่าท่านอาจารย์เองได้พูดสั่งเสียพระว่านี่เป็นวาระสุดท้ายแห่งขันและภพชาติของผมจะขาดความสืบต่อกับสมมติทั้งหลาย และจะยุติลงเพียงแค่นี้จะไม่ได้กลับมาสู่โลกเกิดตายนี้อีกแล้วนิมนต์ท่านทั้งสองจงกลับไปบําเพ็ญและประโยชน์ตนให้สมบูรณ์เต็มภูมิก่อนอีกไม่นานท่านทั้งสองก็จะตามผมมาและไปในในลักษณะเดียวกับที่ผมจะเรินไปอยู่ขณะนี้การที่สัตว์โลกจะหนีจากโลกที่แสนอาลัยอ้อยอิงแต่เต็ ม, มด้วยความระบมงมทุกนี้ไปได้แต่ละรายนั้นไม่ใช่เป็นของไปได้อย่างง่ายใดเหมือนเขาไปเที่ยว ง, งานกัน แต่ต้องเป็นสิ่งฝืนใจมากที่ผู้นั้นจะต้องทุ่มเทกําลังทุกด้านลงเพื่อต่อสู่กู้ความดีทั้งหลายราวกับจะไม่มีชีวิตยังเหลืออยู่ในร่างต่อไปนั่นแหลจึงจะเป็นทางพ้นภัยไร้กังวลไม่ต้องกลับมาเกิดตายเสียดายประชาอีกต่อไปการจากไปของผมคราวนี้มิได้เป็นการจากไปเพื่อความร่มจมงมทุกใดๆแต่เป็นการจากไปเพื่อหายทุกข์กังวลในขัน จากไปด้วยความหมดเยื่อายในสิ่งที่เคยอาไลอาวรนทั้งหลายและจากไปอย่างหมดห่วงเหมือนนักโทษออกจากเรือนจำฉะนั้นไม่มีความหึงหวงและน้อยเนื้อต่ำใจเพราะความพากไปแห่งขันที่โลกถือเป็นเรื่องกองทุกข์อันใหญ่หลวงและไม่มีสัตว์ตัวใดปราถนาตายกันเลยฉะนั้นจึงไม่ควรเสียใจอาล์อไถึงผมอันเป็นเรื่องสังสมกิเลสและกองทุกข์ไม่มีชิ้นดีเลยนักปรากไม่สรรเสริญ พอท่านแสดงทรรแก่พระนุ่มสององค์จบลงก็บอกให้ถอยช้างสองเชือกออกไปซึ่งยืนแนบสองข้างท่านด้วยอาการสงบนิ่งราวกับไม่มีลมหายใจและอะไรคําสั่งเสียท่านที่ให้อวาดแก่พระนุ่มสององค์ขณะนั้นช้างทั้งสามเชือกแสดงความรู้สึกเหมือนสัตว์มีชีวิตจริงๆ ร, ราวกับไมิใช่นิมิตภาวนาพอสั่งเสียเสร็จแล้วช้างสองเชือกของพระนุ่มก็ค่อยๆถอยออกมาหน้าธรรมหันหลังกลับออกไปแล้ว หันหน้ากลับคืนมายัางท่านอาจารย์ตามเดิมด้วยท่าทางอันสงบอย่างยิ่งส่วนช้างท่านก็เริ่มทําหน้าที่หมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำโดยลําดับเฉพาะองค์ท่านนั่งอยู่บนคอช้างนั่นเองทั้งขณะให้โอวาดทั้งขณะช้างหมุนตัวเข้าในผนังถ้ำพอช้างหมุนก้นเข้าไปได้ข้อตัวจิตท่านเริ่มรู้สึกตัวถอนจากสมาธิขึ้นมาเรื่องเลยยุติลงเพียงนั้นเรื่องนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ท่านพิจารณาความหมายต่อไป เพราะเป็นนิมิต ท, ที่แปลกประหลาดมากไม่เคยปรากฏในชีวิตได้ความขึ้นเป็นสองในในหนึ่งตอนท่านพรณภาพจะมีพระหนุ่นสององค์รู้ทำตามท่านแต่ท่านไม่ได้ระบุว่าเป็นใครบ้างอีกในหนึ่งสมถากาวิปัสสนาเป็นธรรมมีอุปการรัแก่พระกีณาศพแต่ต้นจนวรสุดท้ายแห่งขันต้องอาศัยสมถาวิปัสสนาเป็นวิหารธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์ระหว่างขันธกิจที่อาศัยกันอยู่ จนกว่าระหว่างสมมุติคือขันธ์กับวิมุตติคือวิสุธทธิจิตจะเลิกราจากกันที่โลกเรียกว่าตายนั่นแหละสมถะกวิปัสสนาจึงจะยุติในการทําหน้าที่ลงได้และหายไปพร้อมๆกับสมมุติทั้งหลายไม่มีอะไรจะมาสมมติกันว่าเป็นอะไรต่อไปอีกท่านว่าหน้าว่าเสียวนั้นท่านคิดตามความรู้สึกทั่วๆไปคือตอนช้างท่านกําลังหมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำทั้งที่ท่านนั่งอยู่บนคอช้างแต่ท่านว่า ท่านมิได้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวเพราะเหตุการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่นั่นเลยปลอยให้ช้างทำหน้าที่ไปจนกว่าจะถึงที่สุดของเหตุการณ์ที่น่าจนดีเช่นกันคือตอนที่นิมิตแสดงภาพพระหนุ่มและช้างให้ปรากฏขึ้นในขณะนั้นบอกความหมายว่าจะมีพระหนุ่มรู้ทำตามท่านสององค์ในระยะที่มรณภาพไม่ก่อนหรือหลังท่านนานนักท่านว่าแปลกอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือ ตอนท่านสั่งเสียและอบรมสั่งสอนพระนมนให้ตกใจและมีความอาลัยถึงท่านให้พากันกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เป็นภูมิก่อนและพูดถึงการจากไปของท่านเองเรากลับจะไปในขณะนั้นจริงๆนี้ท่านว่านิมิแสดงให้เห็นเป็นความแปลกในรูปเปรียบว่าเมื่อวาระนั้นมาถึงจริงๆพระนมสององค์จะรู้ธรรมในระยะนั้นแต่เป็นที่น่าเสียดายที่พระนมสององค์นั้นคือใครบ้าง เวลาเรียนถามท่านท่านไม่ยท่านไม่บอกเวลานั้นผู้เขียนมีอาการบ้ากำลังกำเริบอยากรู้ชื่อพระนุลสององนั้นจนลืมอยากรู้ความบกพร่องของตอนเสียหมดเลยวาดภาพลอกตัวเองอยู่ร่ําไปว่าจะเป็นองค์ไหนกันแน่องค์ไหนกันแน่อยู่ทํำนองนั้นและได้พยายามใช้ความสังเกตเรื่อยมาแต่ท่านมรณภาคทีแรกจนถึงวันเขียนประวัติท่านก็ยังไม่มีก็ยังไม่มีวี่แววมาจากทางไหนว่าองค์นั้นเป็นผู้มีโชคมหาศจรรย์ ตามนิมิตภาวนาที่ท่านเมตตาบอกเล่าคิดไปมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความบ้าของตนหนักเข้าที่ตะครุบเงานอกจากตัวไปว่าใครจะมาประกาศขายตัวว่าตนเป็นผู้บรรลุธรรมนั้นเพราะไม่ใช่ปลาเน่าที่จะประกาศขายให้แมลงวันตอมเล่นไม่มีประโยชน์เนื่องจากท่านผู้จะบรรลุธรรมขั้นนั้นต้องเป็นผู้มีความฉลาดอย่างพอตัวและควรแก่ธรรมขั้นนั้นอย่างเต็มภูมจึงจะบรรลุได้แล้วใครจะยองโง่ มาประกาศขายตัวให้นักป่าสมเพศเวทนาให้คนผ่านหัวเราะเยาะให้คนหูเบาเชื่อง่ายไม่มีเหตุผลรับเชื่อและตื่นข่าวไปตามๆกันเหมือนกระต่ายตื่นตูมว่าฟ้าถล่มฉะนั้นเรื่องบ้าเลยขอบเขตก็ค่อยสงบลงจึงได้เขียนเรื่องนี้ลงไว้เพื่อท่านผู้อ่านทั้งหลายได้พิจารณาต่อไปผิดถูกประการใดกรุณาทำหนิผู้เขียนซึ่งมีนิสัยไม่รอคอบมาดังเดิม เพราะเรื่องทํานองนี้ถือเป็นการภายในระหว่างอาจารย์กับศิษย์ควรพูดต่อกันโดยเฉพาะไม่เป็นภายต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผู้เขียนประวัติท่านเป็นคนมีนิสัยที่ควรตําหนิอยู่มากถ้าไม่สงสารและให้อาภัยดังที่เรียนขอแล้วขอเล่าตลอดมาจึงหวังได้รับความเมตตาเป็นอย่างดีตามเคยการเทศปโปรดอนุเคราะห์จำพวกายทิพย์ในภพภูมิต่างๆท่านพระอาจารย์มั่นได้ทําภาระอย่างหนักหน่วงตลอดมาจนถึงวันมรณภาพ ไม่ว่าท่านจะพักอยู่ที่ใดจำต้องได้ติดต่อสื่อสารกับพวกกายทิพย์ประเภทต่างๆอยู่เสมอยิ่งพักอยู่ในป่าในเขาลึกปราศจากผู้คนเลยแล้วพวกกายทิพย์จากภพภูมิต่างๆยิ่งมาเกี่ยวข้องท่านมากเป็นพิเศษแทบไม่เว้นแต่ละคืนโดยพวกนั้นมาพวกนี้มาภูมินั้นมาภูมินี้นม า, ม า, มาชั้นนั้นมาชั้นนี้มาแม้พวกเปรตผีที่รอรับทายาทานจากญาติญาติ ซึงทั้งผู้เป็นเปรตเป็นผีและผู้เป็นญาติเดิมเป็นโคดแซ่อะไรอยู่อยู่เมืองไหนตายไปแต่เมื่อไรและญาติในโคดแซ่นั้นยังมีใครเหลืออยู่บ้างพอช่วยติดต่อสื่อสารก็ไม่มีใครทราบได้ยังอุตส่าห์มาติดต่อกับท่านอาจารย์เพื่อเมตตาอนุเคราะห์ช่วยบอกกับญาติๆของเปรตผีนั้นๆให้พากันทําบุญให้ทานแล้วอุทิศแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาพอช่วยพยุงให้ความทุกข์ที่เสวยอยู่ได้มีวันเบาบางลงบ้างไม่ทรมานจนเกินไป เท่าที่สวยทุกอยู่ในนรกก็นับว่าเหลือทนมานานแสนนานแล้วจนไม่มีมนุษย์คนใดจะสามารถนับอ่านเดือนปีของของแดนนรกซึ่งต่างกับเมืองมนุษย์ได้เพราะเลยการนับอ่านของแดนมนุษย์ที่ใช้นับกันจะอาจเอื้อมพอพ้นแดนนรกขึ้นมาแทนที่จะหมดกรรมหมดเวรพอมีความสุขบ้างแต่ไม่ปรากฏความทุกข์ได้ลดตัวลงส ม, สมกับคําว่าพ้นจากนรกบ้างเลยกว่ามีกรรมชั่วติดตัวนี้ อยู่ในโลกไหนก็สักแต่ชื่อเท่านั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปพอให้เย็นใจหายทุกพอควรมั่งเลยดังพวกข้าพเจ้าสเสวย อ, อยู่เวลานี้ทั้งยังไม่ทราบว่าจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้เมื่อไรถ้าพระคุณเจ้าได้เมตตาบอกข่าวกล่าวเรื่องให้ญาติญาติฟังแล้วเขาอาจมีจิตเมตตาบำเพ็ญกุศลอุทิศกันปนาผลส่งมาให้พวกข้าพเจ้าอาจมีเวลาหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานซึ่งสุดจะสังเวชสงสารตนเหลือประมาณนี้เสียได้ เวลาท่านถามเพงญาติของผู้เป็นเปรตเป็นผีที่มาขอส่วนบุญก็บอกไปคนละโลกจนไม่รู้เรื่องกันผู้ที่ตายไปตกนรกตั้งหมื่นตั้งแสนปีทิพย์กว่าจะพ้นโทษขึ้นมาและมาสวยกรรมปลีกย่อยอันเป็นเศษนรกอยู่บางรายห้าร้อยปีทิพย์บางรายก็พันปีทิพย์จนไม่สามารถค้นหาต้นปอหนอขนงแห่งโคตรแท้ได้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเช่นรายนั้นก็สุดวิสัยซึ่งนับว่าเป็นกรรมของศาสตร์อีกขนงหนึ่ง ที่ผลกําหนักขึ้นมาสู่กรรมเบาบ้างก็ที่พอจะรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้แต่กลับค้นหาบัญชีสำ ม, มโนครัวไม่เจอเสียเป็นอันว่าต้องยอมทนทุกข์สวยกรรมนั้นต่อไปโดยไม่มีกําหนดกฎหมายว่าจะตัดสินกรรมลงได้เมื่อไรสักทีรายที่เป็นธรรนองสัตว์ไม่มีเจ้าของคอยอุปการะนี้มีจํานวนไม่น้อยรายที่พอช่วยเหลือได้บ้างก็มีเช่นรายที่ไม่นานและไม่หนักทั้งอยู่ในฐานะที่ควรรับทานจากญาติได้ สมโนครัวคือโคดแท้ที่เป็นญาติก็ยังมีชื่อญาติและสถานที่ก็จําได้ทั้งอยู่ไม่ห่างไกลกับสถานที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือจากท่านถ้าอย่างนี้ท่านก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือได้โดยหาอุบาสแสดงทําให้เขาทราบและอุทิศส่วนกุศลในเวลาบําเพ็ญท่านในงานต่างๆหรือให้ทานประจําวันเช่นใส่บานถวายทานอันเป็นการทําบุญทั่วไปเสร็จแล้วอุทิศแผ่ส่วนกุศลไปยังผู้หลวงรับ ซึ่งรอรับอยู่พร้อมแล้วบางรายก็รับส่วนกุศลจากการอุทิศของท่านผู้ใจบุญทั้งหลายอุทิศกันอยู่ทั่วไปได้เฉพาะท่านเองก็อุทิศส่วนกุศลหรือแผ่เมตตาแก่บรรดาสตว์ทั่วไปไมิได้ขาดแต่บางรายก็รับได้เฉพาะที่ญาติอุทิศให้เท่านั้นบางรายก็รับได้ทั่วไปตามความนิยมของกรรมที่มีต่างๆกันท่านว่าพวกเปรตผีนี้พิสดารมากและมีกี่ร้อยกี่พันจําพวกที่มาเกี่ยวข้องกับท่าน จนไม่สามารถนับอ่านได้ทั้งรบกวนมากกว่าจำพวกอื่นๆที่มีกายลึกลับเหมือนกันเพราะพวกนี้หมดที่พึ่งเหมือนคอยลมหายใจจากผู้อื่นพอเขาปิดจมูกไอหรือจามเสียขณะหนึ่งตัวก็จะตายเพราะหมดทางหากินจึงลำบากมากเกี่ยวกับการอาศัยผู้อื่นโดยที่ไม่เป็นตัวของตัวมาแต่ดั้งเดิมฉะนั้นการทําบุญให้ทานจึงเป็นกิจสําคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดสําหรับผู้หวังพึ่งตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร เพราะศาตว์ที่มีกรรมทั่วไตรโลกธาตุต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองด้วยกันไม่มีใครจะคอยรับผิดชอบใครทั้งการเกิดในกําเนิดดีช่วยต่างๆตลอดการเสวยคือสุขหรือทุกข์หนักเบามากน้อยต้องเป็นผู้เสวยกรรมของตัวทําไว้ทั้งสิน้นไม่มีใครทําไว้เพื่อใครต่างทําไว้เพื่อตัวแม้ไม่มีเจตนาว่าทําไว้เพื่อตัวเองก็ตามแต่ความจริงก็เป็นกฎตายตัวมาดั้งเดิมอย่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่น ท่านเชี่ยวชาในทางเปรตผีเทวบุตรเทวดาอินพรมยมยักษ์หนาครุฑมากทั้งพบหยาบพบละเอียดสามารถรู้ซอกแซกไว้ได้อย่างหมดไม่มีประมาณในสิ่งที่สุดวิสัยของตาเนื้อหูหนังใจเห็นและได้ยินได้นอกจากท่านไม่เล่าหมดตามที่รู้ที่เห็นเท่านั้นขณะท่านเล่าเรื่องเปรตผีเป็นต้นให้ฟังอดคนลุกไม่ได้ทั้งที่ไม่กลัวผีแต่ก็อดกลัวกรรมซึ่งเป็นของลึกลับและมีอานาจมากไม่ได้ ท่านว่าคนเราถ้าสามารถรู้เห็นทำดีชั่วที่ตนและผู้อื่นทำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆเช่นเห็นนา้าเห็นไฟเป็นต้นจะไม่กล้าทำบาปเหมือนคนไม่กล้าเข้าไฟแต่กระเตรือร้นกันทำแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนนา้าความเดือดร้อนของโลกที่เคยได้รับก็นัออกวันลดน้อยลง